หน้าสี่ร้อยห้าสิบสองปฏิจจสุบาทในเรื่องของภัย ทั้งหลายย่อมเกิดจากคนพาลท่านบอกดูก่อนพิกษุทั้งหลายภัยทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนพาลย่อมไม่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปาทวะทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนพาลย่อมไม่เกิดขึ้นจากบัณฑิต อุปสรรคทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นนั้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนพานย่อมไม่เกิดขึ้นจากปัณดิตดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนไฟอันลุกโผล่งขึ้นแล้วทำจากเรือนอันทาด้วยไม้อ้อหรือด้วยหญ้าก็ตามย่อมจะไหม้ได้แม้กระทั่งเรือนยอด ที่มีปูนอันฉาบแล้วทั้งขึ้นและลงมีเครื่องยึดประตูอันแน่นหนามีช่องประตูและหน้าต่างอันปิดสนิทข้อนี้ฉันใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือภัยทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นจากคนพาลย่อมไม่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปัตถว์ทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากคนพาลย่อมไม่เกิดขึ้นจากบัณฑิตอุปสรรคทั้งหลายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นย่อ <zyst. S 1> มเกิดขึ้นจากคนพาลย่ไอมไม่เกิดขึ้นจากบัณฑิตดูก่อนพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละค น, านาพ า, นานจึงชื่อว่าผู้มีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตจึงชื่อว่าผู้ไม่มีภัยเฉพาะหน้าคนพาจึงชื่อว่าผู้มีอุปทวะ บัณฑิตจึงชื่อว่าผู้ไม่มีอุปัวะคนพาลจึงชื่อว่าผู้มีอุปสรรตบัณฑิตจึงชื่อว่าผู้ไม่มีอุปสรรค <c oughs> <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยย่อมไม่มีจากบัณฑิตอุปัวะย่อมไม่มีจากบัณฑิตอุปสรรค์ย่อมไม่มีจากบัณฑิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเรา พวกเธอทั้งหลายพึงทำในใจว่าเราทั้งหลายจักเป็นบัณฑิตดังนี้ดูก่อนพิสษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหน็กไว้อย่างนี้แลคนพาลชื่อว่ามีอุปสรรคนะถ้าเป็นบัณฑิตจะไม่มีอุปสรรค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 ข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปพระองค์ก็ไล่สายปฏิจจะไปจนทั้งถึงชาติชลามรอนะนั่นก็คือผู้ที่ฉลาดในปฏิจจสมบัติเนี่ยจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดและจะรู้ว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับ ไล่สายวงรอบการเกิดไล่สายวงรอบการดับได้ดูก่อนอ น, นุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุควรได้นามว่าผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท